สวัสดีครับต้องขออนุ ญ, ญาตผมยังเห็นต้นคริสต์มาสอยู่ผมยังมีสิทธิ์นะครับเมื่อว a นคริส a ์มาสแอนด์แทุกๆคนนะครับเราคาบเกี่ยวกันเลยสัปดาห์นี้ทั้งคริสต์มาสและปีใหม่เอ่อเท่าที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่คือไม่ไปเที่ยวไหนใช่ไหมครับอ๋อหลายคนนะครับหลังจากคริสต์มาสปุ๊บมีโอกาสได้ไปพักผ่อนนะครับคริสต์มาสแล้วก็กลับมา ต่อมาทันทีเลยนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่โบสถ์นี้ขอบคุณพระเจ้าผมขออนะุญาตอินเทรนนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็ยังไม่ตกเทรนสําหรับก้าวคนละกนะครับแต่วันนี้เราจะก้าวอีกแบบหนึง่งแล้วเราจะมาคุยกันว่าเราจะก้าวยังไงนะครับเ mm hmm. พระเาะฉะนั้นของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้ mm hmm. ผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อข้อสบอกว่าจิตใจของข้าเอยจงถวายสาธุ ก, การแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชะกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์คริสต์มาสและปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งการให้ใช่ไหมครับเราจึงให้ของขวัญแก่กันและกันนะครับเป็นเทศกาลที่ที่ทุกคนชื่นชมยินดีทุกคนได้รับของขวัญและทุกคนได้ให้ของขวัญแต่เรามีของขวัญอะไรที่เรารู้สึกประทับใจที่สุด หรือดีใจที่สุดที่ได้รับบ้างไหมครับบางคนอาจจะเป็นสำหรับเด็กวัยรุ่นบางคนอาจจะของขวัญที่ถูกใจคือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดบางคนอาจจะเป็นสำหรับสุภาพสตรีของขวัญจากสามีอาจจะเป็นแหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นแค่การ์ดจากคนที่ถูกใจนะครับ ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องลู ก, ลกสาวของผมนะครับขึ้นมามีโอกาสมาแบ่งปันเพราะชนะทีไรก็เอาลูกสาวมาขายกินทุกทีหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกสาวคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นผมต้องเล่าให้ฟังว่าตอนลูกสาวผมเล็กๆนะครับผมตั้งใจว่าผมจะไม่ให้เห็นตุ๊กตาบาร์บี้มีใครมีใครเคยเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ครับ ในรุ่นนี้มีหลายๆคนเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ผมตั้งใจโอ้โหตุ๊กตาบาร์บี้นี่มันโหถ้าเล่นนี่สงสัยจะติดไม่ให้ดูเลยไม่ให้เจอไม่ให้เห็นเลยจนวันหนึ่งผมจำได้เลยว่าพาเข้าไปที่เซนทันชิตลมตอนนั้นเขาน่าจะอยู่ประมาณสักขวบสองขวบไม่เกินนี้นครับลองนึกภาพ คือวันนั้นที่เซนต์ท่านชิดลมเนี่ยเขามีเขามีบูธมีเทศกาลแล้วขายตุ๊กตาบาร์บี้เขาจะขายของอ น, นะครับแต่เขาจัดทั้งเวิรเนี่ยนะครับมีแต่ตุ๊กตาบาร์บี้ไปไม่หมดมีทั้งเป็นตัวตัวแล้วมีทั้งเป็นดิสเพลย์แบบว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรรู้เต็มไปหมดเลยนะครับคือผมก็พาเดินไปตรงนู้นตรงนี้เสร็จพอมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะผ่านไปตรงนี้เลยแต่หลุดออกไปลองนึกภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วทำท่าอย่างเงี้ย ตะลึงเงนโอ้โหนี่มันคืออาณาจักรของอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ตะลึงกันแล้วก็แล้วก็เดินแบบเหม่อลอยนะครับลีดเข้าไปหาเข้าไปหาเสร็จแล้วก็ดูดูไม่ซื้อเราไม่ซื้อแต่ด้วยความที่เห็นท่าแบบนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อมีโอกาสได้ไปที่อื่นที่มีตุ๊กตาบาร์บี้วงเล็บลดราคาผมก็ได้ซื้อมาเป็นของขวัญเขา โอโ้ผมจําท่าที่เขาเปิดของขวัญออกมาแล้วเขารู้สึกปราบปลื้มใจมากๆที่เขาได้เห็นตุ๊กตาที่เป็นของโปรดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เด็กผู้หญิงจะชอบตุ๊กตานะครับแต่ท่าทีที่ตื่นเต้นท่าทีที่ดีใจก็เป็นท่าทีที่ทําให้เราก็ดีใจนะครับที่เรามีโอกาสได้ให้ของขวัญที่ถูกใจลูกนะครับ เธออยู่กับมันเป็นวันๆอยู่กับมันแล้วประจวบเหมาะกับหลังจากนั้นอีกไม่นานน้องชายผมมาจากต่างประเทศถ้าใจเดียวกันซื้อซื้อเยอะกองผมอีกนะต่างประเทศเขาคงจะถูกซื้อมาเป็นชุดโอ้โหคันนี้มีเป็นคอลเลกชันโอ้โหมาปลืม้มแต่เชื่อไหมครับหลังจากเวลาผ่านไปสักพัก ตุ๊กตาตัวนี้หลังจากที่ผมมันก็ยุ่งเหยิงเพราะโดนตัดผมด้วยต่างหากเพราะผมยุ่งเหยิงวิธีการก็คือแกะไม่ออกกไก ล, กลตัดเลยครับตัดผมปีบบกผมสั้นลงในทันใดนะครับจนสุดท้ายวันหนึ่งตุ๊กตานี้มันก็ถูกวางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับเราเป็นแบบนั้นวะครับบางทีเราได้ของขวัญในอะไรบางอย่างมาวันแรกที่เราได้รับโอ้สุดยอดเลยแต่พอนานๆไปมันอาจจะ เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมคริสต์มาสที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็เป็นเทศกาลแห่งการมอบของขวัญหรืออีกในหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาแห่งการช็อปปิ้งเพื่อให้ของขวัญกับคนที่รักโหราจารย์ก็เช่นกันเขาก็ไปช็อปปิ้งอะไรมาบ้างครับแน่นอนไม่ได้ซื้อออนไลน์สมัยนั้นยังไม่มีทองคำกํายานหลาหมดยออ เขาเป็นของขวัญที่มันมีความหมายในตัวมันเองได้ลงเล็งถึงตัวตนของผู้ที่ได้รับด้วยนะครับถ้าเราย้อนไปสัปดาห์ที่แล้ววันคริสต์มาสคือวันจันทร์พอเช้าวันอังคารก็คือบ็อกซิ่งเดนะครับเพื่อนผมบางคนบอกว่าพอพูดถึงบ็อกซิ่งเดยเขาบอกว่าวันนี้มีมวยหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเราเปิดกล่องของขวัญกันคงมีกล่องของขวัญ น, นับล้านถูกเปิดออกแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะต้องเอากลับไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเพราะว่า อยากจะให้มันเหมาะกับผู้รับแต่มันมีของขวัญอย่างหนึ่งครับที่เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ไม่เคยล้าสมัยนะครับเพราะว่าเป็นของขวัญที่เป็นที่มาของวันคริสต์มาสผมคงไม่ต้องบรรยายมากทุกคนคงจะรู้ว่าผมหมายถึงองค์พระเยะสุคริสต์เจ้าที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราเพื่อทุกคนที่ได้รับของขวัญ น, นี้พร้อมจะรับของขวัญ น, นี้จะได้รับการอภัยและมีชีวิตนิรันดร์ของขวัญ น, นี้ เข้ากับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงของขวัญ น, นี้และ9คนละเต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์สําหรับบ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสอยู่ด้วยกันมีโอกาสนมั ส, สการพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพระวจนะของพระองค์เป็นฤทธเดชในชีวิตของเราที่จะสอนเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่เราเองจะเข้าใกล้พระองค์ และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกๆคนในการเรียนรู้พระเนะของพระองค์ร่วมกันในบ่ายวันนี้เราจึงอธิฐานทูลขอการทรงนำและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพิจิตรเจ้าอามนผมคงจะพูดไม่ยาวนักเกี่ยวกับเรื่องของขวัญคริสต์มาสเพราะว่าหนึ่งก็ผ่านไปแล้วสองอาจารย์เทศมาแล้วทั้งเดือนวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้ว แต่พระเยซูเป็นของขวัญที่สำคัญเพราะว่าข้อแรกคือเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าของขวัญนี้เป็นของขวัญล้ำค่ามากนะครับเพราะว่าพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักมากที่สุดคนที่พระองค์รักมากที่สุดก็คือพระเยซูให้กับเราอย่างที่2ก็คือว่าที่สำคัญเพราะว่าของขวัญนี้เป็นของขวัญเพื่อทุกๆคนเขาบอกของขวัญนี้จะไม่สามารถเป็นของขวัญได้ถ้าไม่มีผู้รับ และไม่มีใครจะซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับแต่ว่าของขวัญปกติแล้วของขวัญชิ้นหนึ่งก็จะมอบให้คนคนหนึ่งชิ้นหนึ่งจะมอบให้คนคนหนึ่งเพราะว่าถ้ามอบให้สองคนจะเริ่มแย่งกันแต่พระเยซูกฤษเป็นของขวัญที่มีมากพระคุณมากเพียงพอสำหรับทุกๆคนโดยที่เราเองต้องเลือกที่จะเป็นผู้รับนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ เป็นของขวัญที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับเพราะพี่เยซูมาเนี่ยมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพระองค์เองกับชีวิตนิรันด์ให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของของ ข, องขวัญชิ้นนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่การที่พระองค์ตายบนไมก้กางเขนแต่หมายถึงชีวิตนิรันด์ของเราด้วยในวันที่คนเลี้ยงแกะมาเจอนะครับเรื่องนี้คนเลี้ยงแกะก็ตื่นเต้นนะครับ คงไม่น้อยกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเจอตุ๊กตาบาร์บี้นะครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบันทึกบอกว่าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันทิสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นในคริสต์มาสแรกของหลายๆคน สำหรับคนที่เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนอาจจะนึกไม่เคยออกว่าคริสต์มาสไหนเป็นคริสต์มาสแรกเพราะว่าเราเองเติบโตมาแล้วก็คุ้นเคยกับคริสต์มาสก็ดีใจทุกคริสต์มาสแต่ไม่รู้อันไหนเป็นคริสต์มาสแรกที่เริ่มจําความได้แต่หลายๆคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อเราโตแล้วเราจะจําได้ว่าในคริสต์มาสแรกของเราเป็นคริสต์มาสที่มีความหมายกว่าเดิมแซนต์คลอส เริ่มหมดคุณค่าพระเยซิคริสดเข้ามาแทนที่ของขวัญที่เราให้แก่กันและกันเริ่มเป็นสิ่งที่มีความสําคัญรองไปกว่าความชื่นชมยินดีความซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้านะครับจนหลายๆคนตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะเล่าให้คนมากมายฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังชวนเพื่อนมาโบสถ์มาสิวันคริสต์มาส มาสิมีเรื่องราวดีๆมาสิมีมีความรอดบางทียังพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกก็ชวนบอกมามาโบสก่อนมาคริสต์มาสก่อนเดี๋ยวมาเจออาจารย์เดี๋ยวมาเจอพี่ๆมาเจอคนนุ้นคนนี้เพื่อจะคุยให้ฟังนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งความตื่นเต้นอาจจะลดลงนะครับ มีการพูดคุยกันในผู้นำขององค์กรคริสเตียนซึ่งทำงานเกี่ยวกับการประกาศต่างคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนใหม่ส่วนใหญ่กระตือรือร้นกับการประกาศมากกว่าคนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วผม พ, พูดอย่างนี้บางท่านที่เป็นคริสเตียน มานานแล้วอาจจะเถียงผมบอกว่าไม่จริงฉันก็ยังผมก็ยังตื่นเต้นผมก็ยังทําเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับหลายๆท่านยังทําอยู่ขอบคุณพระเจ้าแต่มีบางท่านซึ่งความตื่นเต้นเริ่มลดน้อยลงและอาจจะทําเรื่องราวเหล่านี้ลดลงนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราเหมือนในพระธรมสดุดีที่เราอ่านกันวันนี้อย่าลืมพระราชกิจ อันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ทุกวันนี้หลายครั้งที่เราลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์มันเกิดอะไรขึ้นครับเราลืมพระคุณพระเจ้าตอนไหนบ้างผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราลืมพระคุณพระเจ้าบางครั้งเกิดเพราะเราไม่ชัดเจนไม่มีความรู้ที่แท้จริงไม่มีประสบการณ์ที่แท้จริงบางคน อาจจะมาโบสเริ่มต้นรู้จักกับพระเจ้าเพราะเขาบอกว่ามาที่โบสซี่ที่โบสดีนะบรรยากาศดีมีความรักทุกคนดูรักกันไปหมดเลยเมื่อเรามาเราก็ได้รับความรักเหล่านั้นและเราก็พออยู่ที่จุดนั้นแต่ยังไม่มีโอกาสมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นบางคนบอกว่ามาที่โบสซปัญหาที่คุณมีอยู่อธิษฐานกับพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะช่วยให้ปัญหาของคุณหมดไปเมื่อคุณมาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาเราก็ดีใจแล้วเราก็มาโบสแต่ลืมไปที่จะเรียนรู้เรื่องความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีประสบการณ์ที่ชัดเจนเราไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับไปถึงวันหนึ่งประสบการณ์นั้นมันไม่มา เรื่องราวไม่มาอย่างเดิมเราอาจจะรู้สึกชักไม่แน่ใจนั้นการที่ชัดเจนการที่เข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้เราไม่ลืมพระคุณพระเจ้านะครับการที่บอกว่าลืมพระราชกิจนะครับลืมพระราชกิจอันมีคุณทั้งสิ้นของพระองค์ก็คือลืมพระคุณพระเจ้านะครับผมยกตัวอย่าง จะไม่ยกก็ไม่ได้เพราะาเราเอาเอ า, เอาชื่อโครงการเขามาตั้งชื่อหัวข้อเราแล้วนะครับ9คนละ9นะครับผมอยากจะพูดถึงผมเรียกพี่ตูนก็จะทําให้ผมดูดีขึ้นนิดนึงนะครับจะดูเด็กลงไปหน่อยนะครับนะครับตูนเนี่ยวิ่งไปเชียงรายจากเบตงนะครับผมว่าการตัดสินใจออกเริ่มวิ่งของตูนเนี่ยนะครับน่าจะยากแล้วนะนะครับ ผมว่าเราในที่นี้ถ้ามีใครสักคนบอกว่าเราจะขอไปวิ่งซักอไม่ต้องไกลห้าสิบกิโลนะครับเพื่อเราจะไปทําอะไรเพื่อวัตถุประสงค์ทักอย่างเนี่ยเราคงคิดแล้วคิดอีกแล้วก็คิดเสร็จแล้วเราก็คงจะบอกว่าอย่าเพิ่งเลยนะครับยังขอมีชีวิตอยู่ก่อนนี่คนที่จะตัดสินใจวิ่งห้าสิบห้าวันต่อกันนะครับผมเคยคํานวณดูว่าห้าสิบห้าวันต่อกันนี่เขาต้องวิ่งเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ประมาณนะครับ วิ่งเฉลี่ยถ้าวิ่งทุกวันไม่หยุดเลยประมาณ40กิโลนะครับแต่ในความเป็นจริงด้วยความที่ต้องหยุดเป็นบางวันบางวันวิ่งบนภูเขาบางคนเน้นบางวันที่วิ่งบนพื้นราบเขาวิ่งวันละเจกิโลโหผมนึกไม่ออกเลยวิ่งเจกิโลเนี่ยวิ่งยังไงนะครับแต่การตัดสินใจเริ่มวิ่งเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับการรักษาความตั้งใจการไม่ล้มเลิกเป็นสิ่งที่ยากมากกว่ากันเยอะเลยผมว่าระหว่างที่วิ่งเนี่ยครับ ในขณะที่ตั้งใจจะวิ่งคงมีเป็นร้อยๆครั้งที่ในหัวเขาจะบอกว่าเฮ้ยพอเธอมันเช่นเราก็วิ่งมาครึ่งทางแล้วนะเป็นพันกิโลแล้วในประเทศนี้ก็ไม่เคยมีวิ่งขนาดนี้ก็อาจจะทำให้เราหยุดหยุดวิ่งหรืออาจจะบอกว่าโห oh, มันเจ็ร้อยล้านแล้วไงมันไม่ต้องถึงเชียงรายก็ได้ตอนนี้มันเพิ่งถึงผมจะไม่ได้ว่าประมาณไหนอาจจะันครสวรรค์กาแพงเพชร ก็เจ็ด้ล้านแล้วก็พอแล้วเหอะก็ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะแล้วร่างกายก็ป่วยแล้วด้วยเจ็บแล้วจนหมอสั่งให้หยุดวิ่งไปสองวันเพราะฉะนั้นการที่จะไม่วิ่งต่อด้วยเหตุผลว่าทั้งสองอย่างคือเราก็ถึงเป้าหมายระดับหนึ่งแล้วแล้วประกอบกับที่ร่างกายก็เจ็บป่วยแล้วก็ก็อาจจะมีเหตุผลผมว่าเขาคงคิดเป็นร้อยๆยครั้งเลยที่บอกว่าพอละพอละพอละนะครับไหนจะเสียงคนรอบข้าง นะครับคนเชียร์ก็เยอะแต่คนขัดคอคนขัดขวางก็มีอีกเยอะนะครับแต่อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังทำอยู่เพราะเขาชัดเจนในสิ่งที่เขากำลังทำเขาชัดเจนในเป้าหมายเขาชัดเจนในสิ่งที่ควรจะทำระหว่างนั้นอะไระที่กระตุ้นเราให้เราทำต่อนะครับบางเรื่องทำเพราะเราอยากทำแต่บางเรื่องเราทำเพราะเรา ควรทําและบางเรื่องเราทําเพราะเราจําเป็นต้องทํานะครับต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าทุกวันนี้เรารับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรเรารับใช้พระเจ้าอยู่ในฐานะคริสเตียนไม่ใช่ในฐานะผู้ปกครองไม่ใช่ในฐานะมัาขนายกไม่ใช่ใฐานะประธานกรรมการหรือคณะต่างๆแต่เรารับใช้พระเจ้าในฐานะคริสเตียนเพราะอะไรครับเราทําทุกอย่างเรามาบสถด้วยวัตถุประสงค์อะไร เรามาโบทเพราะว่าเป็นรูทีนเพราะว่าเราตื่นเช้ามาวัอทิตย์ก็ต้องไปโบทหรือเราไปโบทเพราะเรากำลังอยากที่จะมาสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าอยากที่จะมามีส่วนรับใช้พระเจ้าในเครือจกักรมีส่วนหนุนน้ำใจพี่น้องคนอื่นหรือเราอยากที่จะทำอะไรเรามีเป้าไหมครับเป้าหมายของเราว่าพระเจ้าจะใช้อะไรเราได้พระเจ้าจะใช้อะไรเรา ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเมื่อต้นปีหนึ่งมกราคม 2,017 หลายคนตั้งเป้าทำหลายสิ่งหลายอย่างบางคนอยากจะลดน้ำหนักเช่นผมเป็นต้นผมลดน้ำหนักสำเร็จแล้วแล้วผมก็เลยกลับขึ้นมาใหม่แล้วนะอันนี้ถือว่าสำเร็จหรือเปล่าครับไม่รู้นะครับนะบางคนหลายอย่างตั้งใจทำหลายหลายอย่างบางคนบอกว่าไอ้เรื่องที่ทำตั้งใจจะทาเมื่อหนึ่งมกราปีที่แล้วจนบัดนี้ ยังไม่สําเร็จเลยบางคนบอกทํำไปครึ่งหนึ่งแล้วหรือบางคนบอกยังไม่ได้เริ่มเลยแต่เราตั้งเป้าอะไรครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะก้าวข้ามผ่านปีบางคนบอกว่ามันก็แค่อนาตตาเดย์เป็นอีกวันนึงเท่านั้นแต่บางคนบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรมันก็เป็นอีกปีหนึ่งแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่เราเริ่มกําลังเตรียมตัวจะตั้งใจอะไรใหม่นะครับพระเจ้ากําลังอยากให้เรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเพื่อพระองค์ เรากำลังจะทำเพื่อตัวเราอะไรบ้างและเรากำลังจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าบ้างในปี2018ถ้าเราชัดเจนถึงเวลานั้นเราจะไม่ลืมพระคุณพระเจ้าผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือในปี2482ในสงครามโลกครั้งที่สองมีนายหน้าซื้อหุ้นคนหนึ่งนะครับชื่อนิโคลัสวินตันนะครับเขาทำสิ่งหนึ่งที่เหลือเชื่อ เขาเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อจะช่วยเด็กชาวยูิว669คนให้ออกจากเชโกสโลวาเกียเพื่อหลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยูโดยช่วยให้เด็กๆ เ, เหล่านั้นเนี่ยเดินไปถึงอังกฤษอย่างปลอดภัยจริงๆคนนี้เขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยและไม่ได้พูดถึงอีกเลยจน50สปีผ่านไปภรรยาเขาเนี่ยไปค้นห้องเก็บของใต้หลังคาแล้วก็ไปพบสมุดเล่มหนึ่งมีภาพถ่ายและเอกสารของเด็กๆที่เขา ที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ในปี2003พระราชนีแห่งอังกฤษจึงได้สถาปนาเขาเป็นเซอร์นิโคลัสคนละคนกับเซนต์คลอสนะครับไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวฟังแล้วจะงงนะครับสถาปนาเป็นเซอร์นิโคลัสและในปี2014ตอนที่เขาอายุ105ปีเขาได้รับเครื่องอิสริยยศสิงโตขาวนะครับจากประเทศเชโกสโลวาเกียก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปในวันที่1กรกฎาคม2015 ขณะที่อายุได้ร้อยหกปีสื่อมวลชนอังกฤษเนี่ยขนานนามเขาว่า British นเล l l ์นะครับก็คือคนอังกฤษผู้ช่วยชาวยิวและในปี88เนี่ยพอดีผมต้องขอโทษที่ไม่สามารถจะหาวิดีโอนี้มาให้ดูได้แต่เขาได้รับเชิญไปเป็นผู้ชมในห้องส่งรายการรายการหนึ่งชื่อเดดไลฟ์นะครับโดยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคนที่รอบๆนั่งอยู่รอบๆบข้างเขาเนี่ยนะครับล้วนเป็นคนที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่พิธีกรประกาศให้คนที่เขาช่วยชีวิตช่วยแสดงตัวคนรอบข้างตัวเขาทุกคนลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็เข้ามากอดเขาแล้วก็ขอบคุณเขาคำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อที่จะช่วยคนเด็กคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเพราะว่าเขาเองชัดเจนกับวัตถุประสงค์ที่เขากำลังทาอยู่วันนี้ถ้าเราชัดเจน กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผมเชื่อว่าเราเองจะไม่ลืมพระราชะกิจอันมีคุณที่มีในชีวิตเราอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามักจะทําให้เราเองลืมพระราชะกิจอันมีคุณในชีวิตของเราคือเมื่อเราชินชาต่อพระคุณเมื่อเราตื่นไม่ตื่นเต้นกับพระคุณนะครับเราเคยไหมครับผมจริงๆแล้วผมอยากให้เราทําการทดลองอันหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็ทำให้ทำให้หลายคนอาจจะอึดอัดแต่สมมติถ้าเรากลับไปบ้านนะครับเราลองหยุดหายใจดูทดลองหยุดหายใจนะครับอย่าหยุดถาวรนะครับหยุดชั่วคราวนะครับเราลองหยุดหายใจดูสักนาทีหนึ่งสองนาทีถ้าใครทำไหวเมื่อ น, นั้นพอเราต้องการอากาศหายใจเราจะดีใจที่เราได้สูดอากาศหายใจใหม่หรือในวันที่นักผจญเพลิง เขากำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้คนในเหตุการณ์ไฟไหม้เขาต้องเจอกับอากาศที่ร้อนจัดจนแทบจะหายใจไม่ได้เ ม, เมื่อยามที่เขาออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะเห็นว่าเขาจะสูดหายใจเข้าอย่างเต็มปอดด้วยความดีใจที่ได้กลับมาอยู่ในอากาศที่หายใจอีกครั้งหนึ่งบางครั้งเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเป็นเวลานานนะครับทุกวันนี้เรารับพระคุณของพระเจ้า เป็นของฟรีนะครับยังไม่นับความรอดที่ยิ่งใหญ่เรามีอากาศที่หายใจฟรีฟรีนะครับเรามีพื้นดินที่ให้เหยียบฟรีฟรีนะครับเรามอีอากาศหนาวอากาศเย็นเรามีความรักของพี่น้องเรามีเพื่อนฝูงทุกอย่างล้วนเป็นพระคุณพระเจ้านะครับแต่เมื่อเราอยู่ไปนานๆบางครั้งเราเริ่มที่จะไม่ตื่นเต้นและลืมไปว่า ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นพระคุณพระเจ้าผมเคยเจอกับผู้ใหญ่ที่อายุ 8-90 ท่านบอกว่าหลังจาก70ปีมานี้ทุกวันที่ตื่นมาเป็นกำไรและขอบคุณพระเจ้าทุกวันที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับวันนี้เราอายุ 20-30-40-50-60 าเราจะรู้สึกว่า มันก็เป็นธรรมดาที่เรายังจะมีชีวิตยอยู่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นพระคุณพระเจ้าบางครั้งเราลืมพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่ชินชาต่อพระ เ, เพราะาเราชินชาต่อพระคุณอีกเหตุผลหนึ่งที่เราลืมพระคุณของพระเจ้าคือเมื่อเกิดความทุกข์ยากลาบากและมันไม่เป็นอย่างที่หวัง พระวนะของพระเจ้าบอกกับเราบอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีโห<ฮ>ยากไปไหมครับมันคงจะง่ายกับการที่เราขอบคุณพระเจ้าในวันที่เราสอบได้เราได้งานใหม่แล้วก็มีคนตอบรัรบรัรักเราเร า, เราได้ลูกนะครับเราได้ขึ้นเงินเดือนเราได้โปรโมตนะครับเราอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักคงจะง่ายที่เราจะบอกว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี แต่ในบางครั้งที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายอย่างนั้นเราอาจจะบอกว่าโอ้โหมันยากเหมือนกันที่จะขอบคุณพระเจ้าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นนักเทนนิสบินเบอร์ดันนะครับระดับตำนานเขาชื่ออา t h เธอร์แอชชีนะครับเขากำลังป่วยด้วยเชื้อโรคเอชจากการที่ได้รับเชื้อผ่านการถ่ายเลือดเมื่อตอนผ่าตัดหัวใจในปี83 คือเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตไม่ดีจนไปติดเชื้อเขาแค่ผ่าตัดหัวใจแล้วติดเชื้อเขาได้รับจดหมายจากแฟนเทนนิสรุ่นเก่าคงจะรุ่นเก่ามากนะครับเพราะผมก็ไม่ทันเหมือนกันทำไมพระเจ้าถึงเลือกคุณให้เป็นโรคร้ายนี้คนซึ่งเป็นนักเทนนิสไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็รักพระเจ้า ทำไมพระเจ้าถึงเลือกคุณให้เป็นโรคร้ายนี้อาเธอตอบว่าอะไรไหมครับเขาบอกว่ามีเด็กห0สิบล้านคนเริ่มต้น เ, เล่นเทนนิสมีเพียงห้าล้านคนที่ได้เรียนวิธีการเล่นเทนนิสมีห0 0แสนคนที่เรียนเทนนิสอาชีพมีห้าหมนคนได้ลงแข่งมี 5,000 คนที่ได้มาถึงแกรนด์สลมมีห้าสิบคนได้เข้ารอบบิมเบอร์ดันมีสี่คนเข้ารอบรอง มีสองคนเข้ารอบชิงและมีฉันคนเดียวในตอนนั้นที่ถือถ้วยชนะเลิศฉันไม่เคยถามพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าเลือกฉันให้ได้รับสิ่งที่ดีอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่ฉันเจ็บปวดทําไมฉันต้องถามพระเจ้าว่าทําไมต้องเป็นฉันด้วยฉะนั้นการเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าในทกกรณีคงไม่ใช่แค่การโลกสวยแล้วสักแต่ว่ามองโลกในแงด่ดีแต่ เป็นความเข้าใจที่ชัดเจนในและสำนึกในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางครั้งความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือการที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการในขณะนั้นจนลืมในทุกสิ่งที่เรามีอยู่จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ถ้าเราถวายสาธุการแด่ดพระเจ้าคือเราขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่ลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์วงเล็บในชีวิตของเราพระองค์เป็นทั้งผู้ที่อภัยพระองค์เป็นผู้ที่รักษาโรคพระองค์เป็นผู้ถ่เราพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมแล้วก็ประทานสิ่งดีๆให้เราเกิดความพึงพอใจในชีวิตตลอดมาผมเชื่อว่าเราจะไม่ลืมสิ่งเหล่านี้แต่บางครั้งเมื่อเหตุการณ์ในชีวิต ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นความจาเป็นเร่งด่วนเราเองก็เผลอที่จะลืมพระคุณของพระเจ้าเราะนั้นเมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าลืมที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและเหตุผลสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงทำไมเราถึงลืมพระคุณพระเจ้าเพราะบางครั้งชีวิตของเรากาลังสนุกสนานอยู่ ชีวิตของเรากำลังมีความสุขอยู่หรือเรากำลังสารวนอยู่เมื่อวันคริสต์มาสสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองผู้คนมานมั ส, สการพระเจ้าหลายคนซาบซึ้งกับพระคุณพระเจ้าในชีวิตแล้วก็พบกับความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสแต่หลังจากนั้นอีกวันสองวันบางคนมีโปรแกรมอยู่แล้วที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดจะเดินทางไปต่างประเทศหรือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายออฟฟิศมีการเฉลิมฉลอง มีรื่นเริงนะครับมีจับฉลากมีเล่นเกมมีเลี้ยงมันทำให้ผ่านมาถึงอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็เริ่มจะเรืยนๆไปแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วสัญญาอะไรกันไว้อธิษฐานอะไรกันไว้หรือแล้วค้นพบอะไรมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาชอบเล่นเกมเขาชอบเล่นเกมเขาก็มักจะลุก แล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ําก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นเกมเพื่อที่เวลาที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันจะต่อเนื่องและเขาจะไม่ต้องสะดุดกับการเล่นเกมแต่หลายครั้งขณะที่เขาผ่านห้องครัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะหยิบขนมหวานหยิบน้ําในตู้เย็นนะครับเพื่อจะมากองกองไว้เพื่อจะเพิดเพลินไม่ขาดตอนพอหยิบมาเสร็จก็ต้องหยิบมือถือมาด้วยนะครับ เพื่อใครโทรมาใครไลน์มาก็ไม่ต้องลุกไปรับสามารถจะทําได้ทุกอย่างบางทีเตรียมของอีกหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนแล้วพอเาก็กลับลงมานั่งที่โซฟาเตรียมตัวที่จะเล่นเกมนะครับแล้วเขาก็ลืมอะไรครับลืมเข้าห้องน้ําเรื่องหลงลืมเล็กๆน้อยๆบางทีก็ทําให้เราก็หงุดหงิดนะครับหรือบางทีเราก็หัวเราะขำว่าเออเนาะทํานู่นนี่เสร็จแล้วเราก็ลืมแต่ในการดําเนินชีวิตบางครั้งสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็ทําให้เราหลงลืม เป้าหมายเรื่องนี้บางคนอาจจะเคยฟังแล้วผมชอบพูดอยู่บ่อ ย, อยว่าทุกวันนี้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้กำลังต่อสู้อยู่เฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอบายามุกเราไม่ได้กำลังต่อสู้กับสิ่งที่ที่โลกบอกว่าไม่ดีแล้วไม่ได้ต่อสู้กับความเลวร้ายแต่อย่างเดียวแต่สิ่งที่โลกบอกว่าดีสิ่งที่โลกบอกว่าน่ายกย่องหลายครั้งก็ดึงชีวิตของเราโดยเฉพาะเยะวาวชนของเรา ออกจากทางหรือจากเวลาของพระเจ้า บ, บางครั้งการเรียนพิเศษนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งเคยคุยกับผมเจอหน้าผมปุ๊บด้วยความที่ไม่เจอกันที่โบสถ์มาสักระยะหนึ่งบอกผมโอ้ขอโทษที่ไม่ได้มาโบสถ์อยู่พักหนึ่งเลยพอดีช่วงที่ผ่านมาต้องพาลูกไปเรียนพิเศษเช้าวันอาทิตย์นะครับผมไม่ตัดสินนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่า ที่แน่ๆสิ่งเหล่านั้นดึงเวลาของเราออกจากเวลาของพระเจ้าบางคนเมื่อถึงเวลาช่วงจะสอบโหต้องไปติวแล้วก็เวลาติวเวลาไหนก็ไม่ดีเท่าเช้าวันอาทิตย์นะครับขอบคุณพระเจ้าเรามีโบสถค์คริสจักรอบบ่ายนะครับใครไปตอนเช้าอยู่รีบกลับมารอบบ่ายแต่ว่าถ้าเลือกได้ผมหนุนใจนะครับวันอาทิตย์ เป็นวันสบาโตฝอยให้เป็นเวลาของพระเจ้าจะดีที่สุดนะครับในขณะเดียวกันมีกิจกรรมอื่นๆดนตรีกีฬานะครับเด็กๆหลายคนต้องเรียนกีฬาเรียนดนตรีเรียนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนบอกว่าดีเรื่องเนนี้เป็นการพัฒนาเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่โลกบอกว่าดีแต่ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงเราออกจากเวลาของพระเจ้า ผมคยเจอคุยกับบางคนบอกว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กมัธยมมัธยมปลายก็ต้องสารวจนกับเรื่องของการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอจบจากมัธยมปลายไปใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าพออยู่ปีหนึ่งโหชีวิตมหาวิทยาลัยเห็นพี่ๆเขาอิสระจะเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหนึ่งเนี่ยจะเอาจริงอาจังเดี๋ยวจะมารับใช้พระเจ้าพอถึงเวลาเป็นไงครับ โอ้ oh, เป็นฟชชี่มีทั้งกิจกรรมกีฬาน้องใหม่มีกิจกรรมรับน้องมีกิจกรรมมะไรู้เต็มไปหมดไม่เป็นไรตอนนี้เราเป็นน้องทำอะไรก็ต้องตามพี่สั่งเดี๋ยวปี2เราจะเต็มที่เราจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ปีสองปุ๊บโอ้ oh, เราเป็นพี่ซัพเฟอร์มอร์เป็นปีปีสองต้องรับน้องยุ่งอีกปีสทํทำอะไรครับอดีตอาจารย์บอกอปี3ก็ต้องทำอะไรปีสต้องไปฝึก ง, งาน ที่ี่ทำที่สี่เตรียมจบอ้าวเพอแป๊บเดียวสี่ปีเรียนจบไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํางานชีวิตไม่ต้องมีการสอบแล้วเราจะเป็นอิสระขอบชีวิตพอเข้าไปทํางานช่วงนี้ทํางานใหม่ลาไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเป็นซีเนียร์ก่อนจะทําอะไรก็ได้เพราะเป็นซีเนียร์แล้วเป็นไงครับโหช่วงนี้กําลังต้องโปรโมทช่วงนี้งานยุ่งช่วงนี้ละความรับผิดชอบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ซีเนียร์กว่านี้อีกหน่อย เพอแป๊บเดียวแต่งงานมีลูกโอช่วงนี้รับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกยุ่งมากๆเพอแป๊บเดียวอ้าวทำไมกเกษียณแล้วเนี่ยโอเวนเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกหกบางครั้งสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตเรามันทำให้เราสนุกสนานบ้างสารวนบ้างวนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆ พระเนของพระเจ้าอีกเช่นกันจึงระบุเป้าหมายไว้ให้กับเราอย่างชัดเจนให้ priority ้ให้เราชัดเจนจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์คีย์วิที่สำคัญคือก่อนจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ไม่ใช่จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อมีเวลาทุกวันนี้ชีวิตเราไม่มีเวลาของเราอีกต่อไปแล้วครับเด็กๆ เ, เรียนพิเศษก็เพราะว่าไม่คุณพ่อคุณแม่ก็คุณครูก็ใครก็ตามจับไปเรียนเราโตขึ้นมาก็รุ่นพี่สั่งอาจารย์สั่งหัวหน้าสั่งภรรยาสั่งอันนี้พูดเล่นนะครับนะเราก็มีชีวิตที่มีคนโน้นคนนี้สั่งแต่เพราะชนะของพระเจ้าเตือนเราเตือนเราไว้เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความเจ้าธรรมของพระองค์ก่อนและวพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราเติบโตไปข้างหน้าเป้าหมายทําได้สําเร็จนะโดยยังที่ไม่ต้องจมกับความสับสนหรือท้อใจบอกกับตัวเองดังๆเสมอจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนถ้าเราตั้งเป้าหมายถูกตั้ง p r i o r i t i ถูกนะครับลำดับความสําคัญถูกต้อง พระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทห้เหลือทั้งปวงให้เราจะมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางสอย่างที่ผมพูดถึงเป็นสิ่งที่มากจะทำให้เราลืมลืมพระคุณของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้ชัดเจนนะครับทำยังไงเราถึงจะก้าวคนละก้าวแล้วก้าวไปถึงเป้าหมายที่เราจะตั้งเป้ากันในปี2018นี้ อย่างแรกนะครับตอบโจทย์อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องที่บอกว่าลืมก็คือเราต้องชัดเจนเราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างชัดเจนมีประสบการณ์กับพระเจ้าข่าวดีเมื่อ 2,000 ปีก่อนก็คืออย่า ก, กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายัางท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด ถ้าข่าวนี้มาถึงเราในในในปัจจุบันมันจะอาจจะส่งมาทาง l ลน e อาจจะส่งมาเป็นคลิปอาจจะส่งมาเป็นอะไรก็ได้ที่ส่งมาบอกว่าอย่ากลัวเลยเรานาข่าวดีมายัางท่านทั้งหลายแต่ทุกวันนี้เราเสพข่าวจากสื่อต่างๆมากมายทั้งข่าวจริงข่าวลวงนะครับข่าวที่เรื่องร้ายข่าวเรื่องดีบางเรื่องแชร์ไปเรียบร้อยแล้ว นะครับโดยไม่ได้ดูให้ละเอียดทีท่วนมารู้ทีหลังว่าเป็นเรื่องลวงผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งผมอ่านแล้วผมก็ขำนะครับที่มีคนบอกว่าห้ามกินวิตามินซีกับกุ้งเพราะมันจะกลายเป็นสารหนูคือผมว่าคนไทยตายก่อนเลยเพราะเราชอบกินต้มยำกุ้งเราชอบกินน้ำพริกกะปินะครับเราชอบกินปลา ก, กุ้งเราชอบกินยำทุกอย่างเป็นวิตามินซีกับกุ้งหมดเลยผมว่าคนไทยคงตายหมดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแต่หลายครั้งพอเราเห็นข่าวปุ๊บ โอ้โหมันเขียนเป็นสูตรเคมีด้วยโอ้หมันช่างน่าเชื่อถือมันแชร์เลยแชร์เลยต้องแชร์ก่อนด้วยหยุดงานไว้ก่อนเดี๋ยวเขาแชร์ก่อนเพราะถ้าฉันแชร์ก่อนฉันฉันเป็นคนแชร์ก่อนเพื่อนไม่ได้เป็นคนแชร์ฉันแชร์ก่อนฉันฉันเท่กว่าบางทีข่าวจริงข่าวลวงข่าวดีเรื่องพระคริสต์เจ้าคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดเราจะชัดเจนกับข่าวเหล่านี้ได้อย่างไร ก็คือการที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆบางคนมาโบสแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านคาเทศนาของอาจารย์บางคนได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านพี่น้องที่เล่าให้ฟังเป็นพยานโอ้โหชีวิตเป็อย่างนี้แต่เราเองยังไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆยังไม่มีประสบการณ์ที่พบว่าพระเจ้าเป็นจริง ถ้าเราไปคุยกับชาวเขาเมื่อสัก20ปีที่แล้วสมัยที่ทีวงทีวีสื่อเสรยังไม่มีเยอะนะครับเราบอกเขาบอกว่ามันมีน้ํากว้างใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าเป็นทะเลโอ้โหเขเถียงเราตายเลยไม่เป็นจริงใหญ่ที่สุดก็เนี่ยแม่น้ําสาละบินเคยเห็นเท่านี้แม่น้ําโขงเห็นเท่านี้มันไม่มีน้ําจะใหญ่อะไรเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงแล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนกันเพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆแต่ถ้าเคยไปเห็นสักครั้งหนึ่ง ใครจะเถียงเขาอย่างไรก็ไม่มีวันจะเถียงเขาได้เขาบอกเพราะเขามีประสบการณ์หนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าเราจะอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องแชร์นะครับเราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าประสบการณ์จากพระเจ้าหาได้จากพระวจนะของพระเจ้านะครับมีอาจารย์บางท่านเคยเปรียบเทียบ ว, ว่าวจนะของพระเจ้าเป็นจดหมาย จดหมายรักจากพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรไม่อยากให้เราทำอะไรพระองค์ชอบอะไรพระองค์ไม่ชอบอะไรพระองค์พระองค์พอใจอะไรไม่พอใจอะไรเพราะฉะนั้นเราอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแรกนะครับเราต้องอ่านพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็ให้เวลากับพระเจ้านะครับถ้าเราอยากจะสนิทกับใครสักคนนะครับหรือวัยรุ่นบอกว่าเราชอบใครสักคนสิ่งที่เราอยากทามากที่สุดคืออะไรครับ ใช้เวลากับเขาเฉยๆใดก็ฉันนั้นเราอยากรู้จักกับพระเจ้าอยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่ไม่เคยอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยอธิษฐานกับพระเจ้าไม่เคยใช้เวลากับพระเจ้าย่อมไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับนอกจากมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเองจะรู้จักกับพระเจ้าเราจะไม่ลืม พระาักิจที่มีในชีวิตของเราไม่ลืมพระคุณพระเจ้าคือเราต้องมีวินัยนะครับเขาบอกว่าบัญญัติ1ิ ป, ประการในข้อหนึ่งนะครับที่คริสเตียนส่วนใหญ่พลาดจงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6กวันและวันที่7นั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่าทำการงานใดๆนะครับ บางคนก็ยึดสบาโตไว้บางคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เราเองทําให้เราสาลวนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับผมหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าลืมจัดเวลาให้มีเวลากับพระเจ้าการที่เราจะมีเวลากับพระเจ้าได้เสมอสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือวินยัยวินยัยถ้าเราวินัยเนี่ย ต้องสร้างต้องคุมตัวเองเพราะทุกวันนี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วเวลาไม่ใช่เวลาของเรามีแต่คนอยากได้เวลาของเราไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมีแต่คนอยากจะเรียกร้องเราให้ทำหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะ control, ควบคุมนะครับไม่ว่าจะควบคุมด้วยตัวเองหรือให้คนรอบข้างช่วยควบคุมนะครับก็คงจะยากที่เราเองจะสามารถจะใช้เวลากับพระเจ้าและ ยึดติดอยู่กับการที่เราเองจะไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าและสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราเองจะก้าวไปถึงแล้วก็ไม่ลืมพระคุณพระเจ้าคือก <c oughs> ้าวไปด้วยกันนะครบับย้อนกับไปทีตูนการที่ตูนวิ่งขึ้นไปจากเบตงถึงเชียงรายถึงแม่สายได้นี่ครับ ผมเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนคงจะได้มีโอกาสเห็นจากทางสื่อต่างๆว่าสิ่งที่เป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างหนึ่งนอกจากหัวใจที่มุ่งมั่นนะครับก็คือความร่วมมือร่วมใจเขามีทีมถ้าที่ผมทราบคือเกือบร้อยชีวิตมีการเตรียมตัวที่ดีมีทีมมีทั้งทีมแพทย์ที่คอยอยู่เคียงข้างคอยวิเคราะห์ตลอดเวลามีทั้งทีม บอดี้การ์ดมีทั้งรถนำรถตามนะครับมีทั้งทีมที่คอยช่วยเหลือกันผู้คนมีทั้งทีมที่โภชนาการนะครับมีทั้งแฟนของเขาที่ไปด้วยกันให้กำลังใจเป็นระยะรวมย้อนถึงมีคนซึ่งบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็เข้ามาร่วมทีมเป็นกำลังให้กับเขานะครับในพระธรรมปัญญาจารย์บอกว่าถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านได้แน่ เชือกสมเกลียวจะขาดง่ายก็หาม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความสําคัญของการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในการที่เราจะมามีโอกาสมาร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับมีโอกาสหนุนน้ําใจซึ่งกันและกันผมหนุนใจนะครับถ้าเราเปิดดูในระเบียบนันสการครึ่งปกติรอบบายเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่เรามีระเบียบนันสการอยู่ที่ด้านหน้านะครับในนั้นจะมีกลุ่มแคร์นะครับซึ่ง อาจารย์ศึกษาที่วิบานของเราพยายามผลักดันให้เรามีกลุ่มแคร์มากมายในคริสตจักรนะครับนะครับมีแคร์แทบทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่เราเองจะมีโอกาสได้ช่วยกันบางครั้งเราอยู่ในคนหมู่มากเราอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหรือระบายหรือให้กำลังใจกับ คนอื่นๆแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มแคร์กลุ่มเล็กๆกลุ่มย่อยเราจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันเมื่อเรามีปัญหาเราก็ยังจะสามารถจะมีคนสักกลุ่มเล็กๆหรือใครบางคนที่เราจะสามารถปรึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมหนุนใจนะครับบางครั้งถ้าเราก้าวไปคนเดียวเราไปคนเดียววันหนึ่งเราอาจจะท้อใจเราอาจจะหมดกําลังใจแต่เมื่อเราหันซ้ายหันขวาเราเจอคนซึ่งกําลังอยู่ข้างๆเรานะครับ อยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังเราก็ทําให้เราเองมีกำลังนะครับเหมือนตอนหนึ่งที่โมเสสนาคนของพระเจ้ามาถึงดินแดนของพันธสัญญานะครับมีคนอามาเลขมาโจมตีนะครับเราอาจจะสงสัยว่าตอนนั้นเนี่ยคือโมเสสขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ยกไม้เท้าของพระเจ้าขึ้นท่านรู้ได้ยังไงว่าต้องทำอย่างนั้น เราก็ไม่รู้เหมือนกันท่านรู้ได้ยังไงแต่เรามั่นใจว่าท่านได้รับการทรงนามจากพระเจ้าทําให้เมื่อโมเสสยกมือขึ้นอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อลดมือลงอิสราเอลก็เสียเปรียบเพราะฉะนั้นโมเสต้องทำไงครับยกมือตลอดเวล า, าผมฝากการบ้านไปสองเรื่องนะครับเรื่องแรกลองไปหยุดหายใจเรื่องที่2กลับบ้านลองไปยกมือดูนะครับสักนาทีสองนาทีเช่นเดียวกันนะครับเราจะรู้ว่ามันเมื่อยแล้วโมเสสนะครับ ยกแขนไว้รบจนถึงกลางคืนนะครับวิธีทำยังไงนะครับพอโมเสสอ่อนร้าโมเสสยังมีอาโรนพี่ชายและเฮอช่วยทำอะไรครับยกแขนเอามือมาค้ำแขนไว้อ๋อนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาจริงๆก็คิดง่ายๆก็ในเมื่อเมื่อแขนก็เอาอีกคนมายกแขนไว้ยกกันไว้อย่างนี้ยกไว้ตลอดเป็นไงครับได้เปรียบตลอดจนกระทั่งรบชนะ เราเรียนรู้ได้ว่าพระเจ้าเรียกคนแต่ละคนเพื่อมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีต่างๆกันด้วยบทบาทหน้าที่ต่างๆกันโมเสสมีบทบาทต้องยกมืออารอนไม่ใช่มีบทบาทยกมืออารอนอาจจะพยายามยกโมเสตเอามือลงได้ไหมเดี๋ยวให้อารอนเป็นคนยกนะพี่ชายบอกเดี๋ยวเราจะเป็นคนยกเองและอารอนก็ยกอะยกแล้วไม่ได้เปรียบสักทีโมเสตต้องเป็นคนยกเพราะฉะนั้นโมเสตได้รับบทบาทหน้าที่หนึ่ง แต่อารอนสามารถสนับสนุนโมเสสได้ด้วยอีกบทบาทอีกหน้าที่หนึ่งแม้กระทั่งเฮอเราไม่รู้เรื่องของเฮอมากนักในพระคัมภีร์เพราะไม่ได้มีบันทึกไว้มากแต่เขาอาจจะมีเบื้องหลังต่างจากโมเสสแต่ณตอนนี้เขาเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกและมีความสําคัญจนพระวจะนะของพระเจ้าบันทึกชื่อเขาไว้ว่าอารอนและเฮอเป็นคนซึ่งช่วยกันยกมือเมื่อเราจะก้าวไปด้วยกันบางคนอาจจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ต่างๆกัน แต่ทุกๆคนล้วนสนับสนุนล้วนมีบทบาทที่สําคัญต่อกันและกันปีใหม่นี้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะตั้งใจตั้งเป้าหมายในการเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผมขอจบเรื่องราวในวันนี้ด้วยเรื่องราวของโคลัมบัสในวันหนึ่งในงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จของโคลัมบัสที่กษัตริย์สเปนจัดให้ ก็มีขุนนางที่หมั่นไส้โคลัมบัสมานานก็กระแนะกระแหนโคลัมบัสด้วยเหตุผลเดิมๆปัดโถอก็แค่เดินเรือออกไปแล้วพบแผ่นดินใหม่ที่มันมีอยู่แล้วใครๆก็ทำได้จะไปมีอะไรเก่งกาดนักหนาโคลัมบัสไม่ตอบโต้ก็ยังถูกกระแนะกระแหนอยู่จนโคลัมบัสหยิบไข่ใบหนึ่งออกมาบอกท่านตั้งไข่ใบนี้ให้ได้สิ คุณนางก็รับมาอันนี้อาจจะเป็นการบ้านอย่างที่3นะครับลองไปเอาจับไข่นะครับให้มันตั้งอยู่นะครับไข่ไก่นะครับพยายามตั้งไข่ให้ได้แล้วพอปล่อยมือไข่เป็นไงครับมันก็ล้มไม่งั้นเขาคงไม่เรียกตั้งไข่ล้มนะครับจนะับจปล่อยอยังไงคุณนางก็บอกไม่มีใครจะตั้งไข่ได้หรอกหรือท่านตั้งได้โคัรบสัสรับไข่ใบนั้นมาแล้วเขาก็เอาก้นช้อนเคาะเบาๆที่ ใต้ของไข่ให้มันบุบแล้วเขาก็เอาไข่ตั้งบนโต๊ะแล้วไข่นั้นมันก็ล้มขุนนางโวยวายเสียงดังทันทีพระว่าโถแบบนี้ใครๆก็ทำได้โคลัมบัสยิ้มก่อนที่จะเดินจากไปพร้อมกับพูดว่าแล้วทำไมท่านไม่ทำเราเป็นอย่างนี้ไหมครับเรื่องทุกเรื่องเริ่มได้ง่ายๆด้วยการลงมือทำเป้าหมายทุกอย่างที่เราตั้งเป้าแล้วเราจะทาในปี2018 อย่าให้มันเป็นแค่เป้าหมายแต่ให้เราลงมือทําและลงมือทำไปกับพระเจ้าลงมือทําไปกับพี่น้องลงมือทําไปด้วยกัน 9-2,000 กว่ากิโลของตูนเริ่มต้นด้วยการเริ่มก้าวเดินในทุกๆเช้าขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวในคริสต์มาสและปีใหม่นี้เราอาธิฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดเราโมทนาและเราขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับตลอดปี2017ที่ผ่านมาที่เราเห็นถึงพระคุณและความรักของพระองค์มากเหลือเกินในชีวิตของเราเป็นพระคุณและความรักที่เกินที่เราเองจะตอบแทนพระคุณของพระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงนําเราด้วยที่เราจะก้าวข้ามปีนี้ผ่านไปและเราจะเริ่มปีต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่เราจะสแสวงหาเป้าหมายที่พระองค์มีเพื่อให้น้ําพระทัยของพระองค์สาเร็จในชีวิตของเรา หลายครั้งถ้าเราเกิดความท้อใจของพระองค์เสริมกําลังเราด้วยขอพระองค์ช่วยเราที่เราเองจะตรงอยู่ในทางของพระองค์และจะมุ่งมั่นด้วยการทรงนำของพระองค์และอยู่ด้วยการสนับสนุนร่วมกันกับพี่น้องขอพระย้าทรงนำชีวิตของเราตลอดปีข้างหน้าและตลอดไปให้อยู่ในพระคุณและความรักของพระองค์อธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน